คิดแนวแถวของพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าสอนพวกเราเนี่ยถ้าคิดในอีกแง่มุมหนึ่งเหมือนกับพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าให้เราอยู่แบบสมถะมักน้อยสันโดษอยู่เป็นวันวันไปไม่มีอนาคตถ้าพวกเราคิดในอีกมุมหนึ่งแต่อีกคิดอีกในมุมหนึ่งพระพุทธเจ้าให้อยู่แบบ เศรษฐกิจพอเพียงนะแตกคิดอี ก, อก ม, มุมหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็นสอนลักษณะบอกว่าให้หมันขยันในการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่า ง, งอมืองอเท้าถึงจะได้มากเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่จัดว่าเป็นความโลภถ้าหาว่าได้มาโดยเป็นธรรมไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นถึงจะได้มากคือคือได้มากมาโดยเป็นธรรมได้มากด้วยความสามารถด้วยสติปัญญาของเราด้วยบุญบา ร, รมีของเราเกื้อกูลหนุนอ น, นันทัทงนก็ส่งเสริมแต่คิดในอีกมุมหนึ่งก็ว่าให้อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง แต่ถ้าว่าตัวเองทำไปแล้วมันไม่เจริญงอกเกยเราก็อยู่แบบส ม, มะถะไม่ใช่ว่ากระเสือกกระสนจนเป็นทุกข์เป็นร้อนจนตัวเองจะเป็นบ้าเป็นบ อ, นบอกับการหาทรัพย์สมบัตอิอย่างนั้นก็ไม่ถูกและอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้มักน้อยอภิ ช, ชาตาอย่างพระที่ท่านสอนอภิ ช, ชาตา เป็นผู้ให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษถึงจะมีมากก็ อ, อย่าไปโลภโลเลจนเกินไปพอยังชีพให้เป็นไปเป็นวันวันอันนี้คือท่านสอนแบบสอนพระเพราะนั้นทำคำสอนของพระพุเทธเจ้าถ้าจะว่าไปและท่านสอนเป็นหลายระดับเราจะเอาระดับสูงมาใส่ระดับต่ำระดับมักน้อยสันโดษ ก็ไม่ได้เราจะเอาระดับมากน้อยชั้นโดดไปใส่ขึ้นไปใส่การสศกแสวงหาทรัพย์ก็ไม่ถูกสรุปแล้ว ก, ก็คือให้ดูตัวเองตัวของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะกระโดดได้ขนาดไหนต้องดูกําลังของตนเองทดลองกระโดดซิกระโดดไปได้ขนาดนี้ก็พอใจในการกระโดดแต่ก็พยายามจะกระโดดให้ไกลกว่านี้ ไกลได้ขนาดไหนมันก็รู้แก่ใจว่าเราจะกระโดดได้ไกลขนาดไหนแต่เราก็พยายามมีแต่เห็นเขากระโดดไกลตัวเองจะเหมือนจะกระโดดอย่างช้างกระโดดอย่างนั้นอ่ะค้างช้างมันขา ย, ยาวมันกระโดดหรือเสือมันกระโดดได้ไกลกว่าเราแตะเราจะกระโดดเหมือนกับสั่งขับเขาก็ไม่ได้เหตเพราะเห็นอะไรเพราะเราต้องรู้เรา อันนี้ลักษณะของพระพุทธเจ้าเลยนะว่ารู้จักประมาณตนนะถ้าใครก็ตามถ้ารู้จักประมาณตนนจะไม่ทุกข์ถ้าไม่รู้จักประมาณตนทุกข์นะเนีอย่างคนโบราณเขาไหวเห็นช้างขี่ขี่ตามช้างอ่ะคล้ายๆว่าไม่รู้จักประมาณตนนะอันนี้ก็คือการสสแสวงหาทรัพย์ภายนอกะแต่ส่วนทรัพย์ภายในนั้น การสั่งสมบารมีพระพุทธเจ้าท่านสั่งสมมาเป็นทอดๆมาเหมือนกันการสั่งสมบารมีของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านได้เกิดได้พบได้เห็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ท่านได้พบได้เจอท่านก็ไฝสูงไว้ขอให้ข้าพเจ้าทำบุญมากน้อย อย่างไรแค่ไหนก็ตามก็ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตด้วยเถินนะให้ข้านึกในใจเม่เองั้นแต่ไม่กล้าพูดให้ใครฟังอายคนเมื่อนั้นเออว่าข้าพเจ้ามักใหญ่ไปสูงอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเพราะว่าเป็นท่านเป็นผู้มีบุญหนักสักยใหญ่อันนี้ก็คือความฝ่ายในใจต่อมาสะสมบา ร, รมีมาเรื่อยๆเกิดพบ ต่อไปอีกคิดในใจเข้มข้นขึ้นต่อมาคิดค้อเข้มข้ขนขึ้นจนถึงบอกจนไม่อายใครเลยบอกเออข้าพระเจ้าทําบุญมากน้อยก็ขอให้ได้สําเร็จโพธิญาณให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะใครมากับพูดให้ใครฟังได้เลยเพราะความตั้งใจของเราสูงสุดแล้วอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะอันนี้ก็ยังไม่แน่นอน แต่นี่ก็ต้องสั่งสมบา ร, รมีไปเรื่อยๆจนถึงบา ร, รมีแก่กล้าขึ้นจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนะท่นงจึงได้ได้รับทำนายท่านทำนายจากพระพุทธเจ้าท่าพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าที่พวกเราเกิดแก่เจ็บตายในมากมายนะพระพุทธเจ้าตัดเป็นระยะระยะระยะระยะ ต่าน้เราเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าที่พยากรณของเราองค์ที่ว่าเราปาถนามาเนี่ยท่านก็จะพยากรนะท่อย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านยอย่างพระพุทธเจ้าของเราสมัยนั้นท่านเป็นสุมเมธาดาบทอยู่ในป่าดังนั้นพระพุทธเจ้าที่ปังกรพุทธเจ้าท่านก็พาภิกษุสงฆ์มาโปรตร เมืองเมืองพาราณสีหรือเมืองอะไรนี่แหละท่านก็มาดูในระหว่างที่ลุ่มกับที่ดอนในเมืองกัที่ที่สูงเหงือนนอะที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งก็เป็นที่สูงที่เนินแต่ในระหว่างกลางมันเป็นทางมันเป็นทางเป็นที่ลุ่มมันมีน้ําเหมือนกันนะประชาชนเขาบอกอุ้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ทางนู้น่ะ ท่นจะเดินบินธบาตรมันก็อ้อมเกินไปทางโค้งเกินไปเอาทางลัดนี่แหละอพวกเราจะต้องทําทางลัดให้เดินเข้ามาให้พระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาบินธบาตรทางลัดเนี่ยประชาชนเขาก็ะระดมคนเป็นร้อยเป็นพันแบบนั้นแทะที่จ ะ, ะระดมได้ผู้มีศรัทธานะ่ทางจอบทางเสียมทางอะไรใครมีอะไรก็ขนไปก็ไปทํางานแบงนั้นตอนเช้า กนบินทบาทพ่อขุดดินทําถนนขึ้นไปท่านิสุเมธาดาบดเนี่ยอยู่ในป่าท่านมีฤทธิ์เนี่ยท่านเหาะมาเหาะมาทางอากาศมาเห็นพวกชาวบ้านกขาโอ้โหทำงานแบบไม่ได้คุยกันเลยว่า ง, งั้นเถอทํางานอย่างสุดอุดตลดว่า ง, งั้นเถอะเดาดาบด์เนี่ยก็เลยลงมาเนยเหาะลงมา มาเขมาถามอ้าวพวกท่านทําอะไรเนี่ยพวกนี้เขาก็เลยบอกอ้าวพระพุทธเจ้าทีปังกรท่านอยู่ฝั่งนู้นกับพระสงฆ์สาวกอ่าเป็นหลายร้อยหลายพันเกิดจะเป็นหมื่นองค์อ่ะเนี่ยท่านจะบินทบาทตรงข้ามเนี่ยพวกนั้นพวกเราจึงทําถนนให้ทันสังสงเมเอธะดาบที่งบอกอ้าวทาอย่างนั้นให้ให้ให้แบ่งให้ข้าทําได้ไหม ได้ได้ได้เผื่อเขาก็อเขาก็ต้องการคนอยู่แล้วเขาก็เห็นว่าสุมเมธาดาบทเป็นผู้มีฤทธิ์ใช่ไหมเหาะเหินเดินฟ้าได้เขาก็เลยอยากเอาไอ้ตรงที่มันแฉะนั่นนั่นแหละโทษมันตรงมันที่มันเป็นน้ำเนี่อตรงที่มันเป็นน้ําให้สุมเมธาดาบททำอย่างนั้นแะทั้งที่สุมเมธาดาบทนั้นจะใช้อิทธิฤทธิ์จะใช้อิทธิฤทธิ์ทำ ท่านก็เปลืองหนังเสือออกเปลืองสายสะพายออกได้กับนุ่งผ้าจงกระเบนเหมือนกันน่เน็บกระเบนจแล้วก็จอบขุดเลยมันเหมือนกับคนทั้งหลายท่านไม่ใช้ฤทธิ์เหมนกอท่านทำด้วยศรัทธาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแต่นี้คนอื่นเขาก็เสร็จเพราะมันที่แห้งแต่ของสุมเมธามันที่แฉ มันทําเท่าไรมันก็มันยังเปียกอยู่มันยังอีกหน่อยหนึ่งเพราะพระพุทธเจ้ากับพระสงค์เดินมาสเสด็จเสด็จมาพอมาที่นหนสุเมธาดาบทเนี่ยมันทางยังไม่เสร็จมัน ย, ยังยงขาดอยู่หน่อยหนึ่งสุเมธาเ น, นอนนอนลงกับพื้นดินเลยนอนลงกับตรงนั้นน่ะให้เป็นสะพานเหมือนกันเลยนอนให้เป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าตายหลังข้ามไปเลยพร้อมกับพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงตรงที่สุเมทะนอนพาดให้เป็นสะพานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทีปังกรท่านพยากรนะพยากรนะท่านนี่น่ะดาบดคนเนี้ยนะนนสุเมทะเนี่ยดาบดทเนี่ยต่อไปในอนาคตจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อพระโคตมะแหโคตมะโคตพระบิดาชื่อพระเจ้าจุฑโทธนะ มารดาชื่อสิริมหามายาสาวกขวาชื่อสารีบุตรสาวกาซ้ายพระโมกกลาอุปถากพระสงฆ์ที่อุปถากชื่อพระ อ, อ น, นุนอุปถากฝ่ายครวัตผู้ชายอนานามิตีกเศษฐีอุปถากฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายหญิงนางวิสาขา พระพุทธเจ้าท่านทำนายไปหมดเลยอันนี้เราพยากรได้รับพยากรพระพุทธสุเมธาดาบทได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าทีปังกรจากนั้นพระ พ, พุทธองค์ก็คงจะเดินผ่านอะไรทั้งเขาก็ไม่พูดต่อในพระไตรปิฎกเพียงแต่ว่าพยากรสุเมธาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าทีปังกรแลวก็ เกิดเกิดตายตายสูงสูงต่ำๆ่รุ่มรุ่มดอนดอนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติฟางนั้นจึงได้มาตรัสตามที่พระพทุทธเจ้าทีปังกรพยากรเอาไว้เนี่ยนี่ว่า ก, การเกิดมาวิญญาณของแต่ละวิญญาณเนี่ยัวใจแต่ละใจเนี่ไม่มันมีที่มาที่ไปเหมือนกันนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่าท่านผู้มีอิทธิฤทธิ์ระลึกชาติหนนหลังได้ ท่านก็จะบอกให้เลยว่าเออชาติที่แล้วเนี่ยเรามาจากที่ไหนมาที่นี่และบุญของเราบุญวัสนาบา ร, รมีของเราเนี่ยเราได้ทําอะไรไว้ในภพนั้นชาตินั้นหรือเราทําเรทรํากล้ำอันไหนไว้ในภพชาติที่แล้วเนี่เราจึงได้มาตกทุกข์แต่ยากหรือเกิดมาภพนี้ชาตินี้มีคนต้มตุนหลอกลวง เ, ออเราเอารัดเอาเปรียบเรา เพราะเคยเราเนี่ยเอารัดเอาเปรียบเขามาก่อนในอดีตชาตินะพระหัน์หรือพระพุทธเจ้าท่านจะรู้ได้เห็นพระเหตุใดเพราะท่านระลึกชาติทุนหลังได้ปุเพนวาสารุสติญาณจุตูปปาตาญาณการจุติของจิ ต, จตวิญญาณของแต่ละท่านแต่คนมาจากไหนมาเกิดออกจากนี้ะจะไปไหนพระพุทธเจ้าพระหันสาวกท่านรู้เพราะท่านมีเครื่องมื อ, อมีญาณทัศนาะ สามารถที่จะพยากรอดีตอนาคตได้นี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักของพระพุทธศาสนาถ้าจะว่าไปแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์มีปฏิหารมีอยู่เหมือนกันรู้จักที่ไปที่มาของจิตวิญญาณใครทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วให้ผลเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสท่านบอกไว้ ให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทของพระองค์อย่าทํากรรมชั่วให้ทําแต่กรรมดีเพราะกรรมชั่วถ้าทําไปแล้วให้ผลไปในมันจะตามมาเมื่อภายหลังถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีจะสนองเราเป็นนานเท่านานมีแต่ดีไปเรื่อยๆ ร, ราบรื่นไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลสะดุดไปเรื่อยๆเพราะงั้นไงหกล้มก ล, มกลบไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราทํากรรมไม่ดีเอาไว้ใช่ไหมว่าอักตังดุ ก, กตังเสยโยปัชชาตปฏิดุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้ผลหรือเาผาผลาญตามสนองเราเมื่อภายหลัง ดังนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านว่ากรรมคือการกระทำํำท่านเน้นหนักเป็นพิเศษหรือเน้นหนักไว้อย่างดีสําหรับหลักของพุทธศาสนาท่านว่าอย่าทํากรรมที่มันไม่ดีพยายามทําแต่กรรมดีพยายามสร้างแต่บุญกุศลทําสิ่งไหนก็ตามให้คิดดีทดําดีพูดดีคิดก็อย่าคิดเบียดเบียนตนและผู้อื่นเวลาทํา ก็อย่าทําเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นเวลาพูดก็อย่าพูดเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นคําว่าเบียดเบียนตนและผู้อื่นนั้นคืออะไรในเมื่อเราไปพูดให้แก่เขาคําอย่างเนี้ยคําที่เราพูดให้แก่เขานะแล้เขาเอาคําพูดของเราที่เราพูดไปนั่นะมาพูดให้แก่เราเรามีความรู้สึกอย่างไรนะีถ้าเราพูดไปแล้วเขาเสียใจ ถ้าเขาเอาคำพูดของเราที่เราพูดไปให้เขาเขาพูดมาให้แกเราเราก็เสียใจยคำเช่นนั้นน่ะการการะทาเช่นนั้นล่ะการคิดเช่นนั้นล่ะไม่ควรทำจะบอกปิชาจารณะจารณะสัมปันโนจารณะคือความประพฤติคิดดีทำดีพูดดนะีตอนนี้ไปรับพร พระสงฆ์จะอนุมูทนาให้พอด